สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะก่อนอื่นบีก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องหรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีของเรานะคะวันนี้บีมีเรื่องที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะเรื่องนี้นำมาจากเด e s ช็ c k เป็นเรื่องไป3มกลับ1เผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ฟังแต่ว่าบางท่านหาฟังย้อนหลังไม่ได้แล้ววันนี้เราขออนุญาตถอดเป็นตัวหนังสือเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะขอบคุณเจ้าของเรื่องค่ะคือคุณสานิตนะคะ ขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะเมื่อ38ปีก่อนคุณสานิตบอกว่าผมเองเพิ่งจบมศ3ใหม่ๆอายุก็ประมาณ 16.. 17ปีคุณสานิตเองมีเพื่อนสนิทอยู่3คนคือคุณเต็กบุญเลิศคุณชยัยนะคะสองคนนี้ซึ่งบ้านของคุณสานิตเ น, นี่ยแล้วก็คุณเต็กแล้วก็คุณบุญเลิศคืออยู่ที่กรุงเทพส่วนชยัยมีบ้านอยู่ทางภาคอีสานนะคะ วันนั้นทั้งสมคนเนี่ยเรียนจบมส .3 กันพอดีก็เลยอยากจะไปเที่ยวเพื่อพักผ่อน3มคนก็เลยไปเที่ยวหาชัยที่บ้านซึ่งชัยเขาก็ได้กลับไปบ้านก่อนหน้านั้นแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของชัยโดยขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงกันไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพื่อที่จะไปถึงบ้านของชัยไม่ข้ามากจะได้ไม่ต้องลำบากตอนเดินเข้าไปหาบ้านชัยเพราะว่าจะต้องเดินเท้ากันเข้าไปลึกมากพอสมควรทีนี้ก็นั่งรถไฟกันไป จนเวลาประมาณบ่ายสาโมงเย็นชัยก็ออกมารับเพื่อนๆที่สถานีรถไฟแล้วก็ต่อรถ2แถวเข้าไปบ้านของชัยนะคะซึ่งระแวกบ้านของชัยเนี่ยหลังจากที่ลงรถ2แถวก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตรเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่มีรถแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงบ้านของชัยซึ่งอยู่ท้ายซอยเลยนะคะ ทั้งหมดก็ได้ผ่านบ้านที่เป็นพ่อกับแม่ของชัยพักอาศัยอยู่เพื่อจะดูแลไรนาซึ่งอยู่ด้านหน้าปากซอยกว่าจะเดินถึงบ้านท้ายซอยก็ปลาไปสี่โมงเย็นค่ะก็จัดข้าวจัดของเสร็จสักพักหนึ่งแม่ของชัยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเรียกบอกว่าให้ชัยเนี่ยไปดูพ่อที่บ้านด้วยเพราะว่าพ่อไม่สบายและแม่ก็ต้องไปเอายานในตัวอำเภอ พอชัยได้ยินแม่เรียกก็เลยออกไปแล้วก็บอกกับเพื่อนๆ น, นีฮะว่าพักอยู่ที่นี่ไม่ต้องเกรงใจนะทำตัวตามสบายคุณสาธิตนะคะก็เลยอบอกให้เต็กเนี่ยไปเป็นเพื่อนชัยค่ะก็คือจะได้ช่วยดูแลพ่อส่วนคุณสานิดเองนะคะก็อยู่กับบุญเลิศที่บ้านท้ายซอยจะได้ดูแลป้าของชัยที่พักอยู่ที่นี่ด้วยคุณป้าของชัยเนี่ยอายุประมาณ 60- 70ปีค่ะเขานั่งอยู่บนเตียงป้าเขาเดินไม่ได้ ซึ่งในระหว่างที่ชัยแล้วก็เทกออกไปที่บ้านหน้าปากซอยเวลาในขณะนั้นก็ประมาณ4ี่มงเย็นใกล้จะ5้าโมงเย็นแล้วนะคะคุณสานิดเองก็เลยเอาเบ็ดตกปลาที่เตรียมมาเนี่ยไปนั่งตกปลาอยู่หลังบ้านของชัยสักประเดี๋ยวหนึ่งคุณสานิดเนี่ยนะคะก็บอกว่าตกปลาซึ่งได้ปลานินมาตัวหนึ่งค่ะตัวเท่าฝ่ามือนี่แหละแล้วก็ได้ปลาช่อนมาอีกตัวหนึ่งตัวเท่าแขนเลยแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่มาก ที่นี้พอนั่งถึงประมาณ5้าโมงกว่าๆค่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดนะคะคือฟ้ามันจะเริ่มมืดเร็วมากก็เดินกลับบ้านมาหาชัยพร้อมกับปลาสองตัวแล้วก็เอาปลาใส่นในตุ่มน้ําเล็กๆข้างบันไดหลังจากนั้นคุณสานิทเองก็เดินขึ้นบ้านไปก่อนจะถึงห้องของคุณสานิทที่พักอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องผ่านห้องนอนของป้าของชัยก่อนซึ่งตอนนี้แกก็นอนอยู่บนเตียงก็ไม่ได้สนใจอะไร เดินผ่านเข้าไปในห้องซึ่งคุณบุญเลิศก็นั่งเล่นกีตา้าเบาๆอยู่ในห้องค่ะนั่งเล่นกันได้สักพักหนึ่งก็ถามคุณบุญเลิศว่าหิวข้าวไหมเดี๋ยวทอดปลากินกันซึ่งตกมาได้2ตัวคุณบุญเลิศก็ตอบตกลงก็ให้เพื่อนเนี่ยไปจุดไฟที่เตาเดี๋ยวก็ไปเอาปลาที่อยู่ในตุ่มข้างล่างเนี่ยมาทํากินกัน คุณผู้ฟังคะในระหว่างที่กำลังคิดว่าจะไปเอาปลามาทอดเนี่ยก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังอยู่ในห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องของป้าของชัยก็เลยอเอาตาเนี่ยเข้าไปทาบกับผนังห้องข้างๆนะคะซึ่งบ้านในต่างจังหวัดฝาผนังบ้านจะเอาแผ่นไม้มาตอกเรียงกันนะคะซึ่งจะเป็นบ้านไม้ซะส่วนใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นปูนอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างแต่ไม้เนี่ยมันก็ยังพอมีรูส่องให้เห็นกันได้ ทีนี้พอเอาตาส่องเข้าไปในห้องเนี่ยคุณสานิตบอกว่าเห็นป้าของชายนี่นั่งหันหลังให้แล้วก็ในระหว่างที่ป้าแกนั่งหันหลังก็ได้ยินเสียงเหมือนป้าแกกําลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในปากคือเคี้ยวดังจอบแจ๊บจอบแจ๊ บ, บดังออกมานะคะก็มองไปได้สักพักหนึ่งป้าแกก็หันมองกลับมาทางที่คุณสานิตกําลังแอบดูอยู่อีกห้องแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าเนี่ยจะเห็นว่าแอบดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ แต่ว่าในระหว่างที่ป้าของชัยหันมาเนี่ยคุณสานิตบอกว่าผมเนี่ยแทบสติหลุดลงตรงนั้นเลยเพราะว่าปากของแกนี่คือเปื้อนเลือดเพราะว่าป้าของชัยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือกำลังค่า ป, ปลานินค่ะปลานินที่ไปตกปลามาไว้ในตุ่มนี่แหละคือเหลืออยู่แค่ครึ่งตัวนะคะคุณสานิตก็เลยหันไปหาบุญเลิศแล้วก็ส่งสั ญ, ญญาณแบบประมาณว่าจุปากให้เงียบโดยใช้นิ้วท่าปไปที่ปากนะคะเพื่อไม่ให้บุญเลิศเนี่ยส่งเสียงดัง เกรงว่าเดี๋ยวป้าของชัยเนี่ยจะได้ยินก็เลยกวักมือเรียกให้บุญเลิศเนี่ยมาแอบมองด้วยกันนะคะแต่ว่าในระหว่างที่แอบดูอยู่นั้นค่ะหัวใจนี่แทบจะหยุดเต้นเลยภาพที่ได้เห็นเนี่ยคือตอนนั้นป้าแกนั่งยองๆปากก็คาบปลานินเอาไว้เสียงกุ๊กกักกุ๊กกักก็ยังดังอยู่มันก็คือเสียงของปลาช่อนอีกตัวหนึ่งที่ดิ้นอยู่บนพื้นไม้ข้างๆสักพักนึงค่ะป้าแกก็กระโดดขึ้นเหมือนกับกบ ลงมาทับปลาช่อนเอาไว้แล้วก็คายปลานินออกเอามืออีกข้างหนึ่งจับปลาช่อนขึ้นแล้วก็กัดตรงที่ท้องของปลาช่อนทีนี้นะคะคุณสารนิดเนี่ยที่มองเห็นเหตุการณ์แล้วก็คุณบุญเลิศนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะคะก็นั่งกอดกันกลมเลยเพราะว่ากลัวในสิ่งที่เห็นมองเห็นป้าของชัยเนี่ยกำลังกินปลาดิบๆคุณบุญเลิศเนี่ย ก็เลยถามคุณสานิตแบบประมาณเชิงกระซิบนี่แหละบอกชวนกันไปไปกันเถอะไปกันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณสานิตเลยถามกลับบอกว่าอ้าแล้วเราจะออกไปกันยังไงถ้าเราออกไปเราก็ต้องเดินผ่านห้องของเขาเพื่อที่จะลงบันไดคุณสานิตเองเนี่ยก็ไม่กล้าแล้วค่ะเพราะว่ากลัวเพราะว่ามันจะต้องผ่านหน้าห้องของป้าของชายไปก็เลยบอกว่าไม่ไปหรอกไม่กล้าเดินผ่าน ตอนนั้นบุลเลิรใจก็ไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะค่ะก็เลยบอกกลับมาบอกงั้นเราโดดหน้าต่างหนีกันเถอะแต่ว่าบ้านเนี่ยคือมันเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูงถ้าสมมุติว่าโดดลงไปนี่ขาหักเนี่ยนะอันตรายอาจจะเจ็บตัวด้วยแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยนะคะสรุปก็เลยนั่งกอดกันกลมค่ะเพราะความกลัวแต่ว่าสักประเดี๋ยวนึงก็มีเสียงเรียกนะคะจากเต็กที่กลับมา เต็เนี่ยคือเพื่อนอีกคนนึงค่ะที่เป็นเพื่อนในกลุ่มนี่แหละไปด้วยกันกับชัยเต็กเดินขึ้นบันไดบ้านมาเห็นนั่งกอดกันกลมก็เกิดอาการงงก่อนที่จะทันพูดอะไรเต็กก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยนะเดี๋ยวกูเอายาไปให้ป้าชัยก่อนกำลังจะเรียกเต็กบอกว่าอย่าไปค่ะแต่ว่าไม่ทันเต็กเนี่ยเดินเข้าไปในห้องของป้าของชัยแล้วแล้วก็เอายาให้กินแล้วก็กลับ มาถามหากระดาษทิชชู่มันบอกว่าจะเอาไปเช็ดปากของป้าเพราะเห็นว่าเลือดเต็มปากเลยก็เลยบอกเตกบอกว่ามานั่งตรงนี้ก่อนข้างๆผมนี่แหละบุญเลิศ ก, ก็พึมพำบอกว่าพากูกลับบ้านพากูกลับบ้านเตกก็เริ่มออกอาการงงแล้วคะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะได้เห็นเนี่ยให้เตกได้ฟังได้รับรู้นะคะก่อนที่เตกจะกลับมาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งพอเล่าเหตุการณ์ให้เตกฟังเสร็จ ะะก็ได้ยินเสียงมาจากห้องของป้าอีกครั้งหนึ่งก็เลยเอาตาเนี่ยไปแนบรูฝาผนังข้างห้องเนี่ยเพื่อที่จะแอบดูอีกครั้งปรากฏนะคะว่ามองไปที่พื้นแล้วก็เตียงไม่เห็นร่างของป้าชัยแล้วก็เลยเหลือบมองสูงขึ้นไปค่ะตรงโค้งหลังคาบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านเนี่ยมันไม่มีฝ้าเพดานภาพที่เห็นคือป้าของชัยนั่งอยู่บนขือมือขวาจับขือมือซ้ายจับไก่แจ้เอาไว้ ไก่แจ้นี่ปกติมันจะบินขึ้นไปนอนที่สูงถูกไหมคะแกจับไก่เอาไว้แล้วก็กัดกินแบบสดๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตัดสินใจกระโดดลงหน้าต่างไปโดยไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะสูงขนาดไหนแล้วก็รีบเดินให้ถึงหน้าปากซอยโดยเร็วที่สุดเดินกอดคอกันไปค่ะจนกว่าจะถึงหน้าบ้านปากซอยก็เกือบครึ่งชั่วโมงพยายามประคองกันไปแล้วก็พึมพำบอกกันไปบอกอย่าวิ่งอย่านี ซึ่งพอเดินมาได้พอสมควรก็เห็นแสงไฟนะคะเป็นแสงไฟวิ่งใกล้เข้ามา3ามคนนี่ก็กลัวกันมากก็เลยพากันนั่งลงข้างทางแสงนั้นใกล้เข้ามาปรากฏว่าเป็นแสงไฟจากรถของชัยที่ขับเข้ามาชัยก็ตะโกนถามว่าพวกมึงมานั่งทําอะไรกันตรงนี้ทําไมไม่อยู่บ้านทุกคนต่างเล่าเหตุการณ์ให้ชัยฟังพอเล่าเสร็จนะคะก็พากันนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปที่หน้าบ้านปากซอย พ่อของชัยได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดและคนที่รู้เรื่องราวนี้ดีที่สุดคือพ่อของชัยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อเนี่ยไม่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกเลยนะครเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่สามคนเพิ่งเจอมาก่อนหน้านั้นแล้วคำแรกที่พ่อของชัยถามว่าตอนนี้เหลือไก่กี่ตัวแล้วทุกคนก็เลยตอบว่าที่เห็นนี่คือเหลือสองตัว พ่อบอกอีกนะคะว่าตอนแรกไก่ที่เลี้ยงไว้นี่มันมีสิบกว่าตัวเลยนะแล้วเห็นป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ชัยเนี่ยพ่อเห็นป้ากินไก่วันละสองตัว2ตัวแต่พ่อไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวนะคะว่าแม่เนี่ยจะกลัวก็เลยตัดสินใจ ย, ย้ายออกมาอยู่บ้านหน้าปากซอยโดยปล่อยให้ป้าอยู่บ้านหลังนั้นเพียงคนเดียวพอรุ่งเช้านะคะทุกคนตัดสินใจกลับกรุงเทพค่ะ พอกลับกรุงเทพได้สองสวันเพื่อนที่ชื่อบุญเลิศได้ไปกระโดดน้ําตายส่วนเต็กทุกวันนี้กลายเป็นคนเสียสติน้ําลายยืดไม่รับรู้อะไรเลยก็ได้แต่พูดอยู่ประโยคเดียวนะคะคือเอากูกลับบ้านเอากูกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานคะ่ะชัยเองนะคะก็กลับมาหาคุณสานิตที่กรุงเทพนะคะคําแรกที่คุณสารยิฐถามชายัยก็ถามว่าชัยได้กลับบ้านไปดูป้าบ้างหรือเปล่า ชัยบอกว่าพ่อแม่แล้วก็เขาได้กลับเข้าไปดูบ้านหลังนั้นหลังจากผ่านไป3วันหลังจากที่ทุกคนกลับมากรุงเทพสิ่งที่พบคือป้าเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วคือสภาพศพคือแห้งกรังเลยมีแต่หนังสีดำๆหุ้มกระดูกเอาไว้พ่อแล้วก็แม่ของชัยก็เลยตัดสินใจเผาร่างของป้าไปพร้อมกับบ้านหลังนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอี ก, กเรื่องหนึ่งที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องไป3กลับ1ของคุณสาณิตนะคะ เรื่องต่อไปที่บีจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของผีในดวงนะคะผีในดวงเนี่ยเป็นสัมภเวสีข้างวัดบางนมโคค่ะในดวงเนี่ยนะคะเป็นคนบ้านขอยู่ข้างๆวัดบางนมโคที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาได้ทำปืนลั่นถูกตัวเองเสียชีวิต ทีนี้เมื่อในดวงตายแล้วนะคะก็เที่ยวอรารวาสแสดงตนให้ปรากฏอยู่เสมอแต่ว่าต่อมาหลวงพ่อปานก็สั่งพระบอกว่าผีเจ้าดวงอรารวาสมากแต่ว่าความจริงเนี่ยคือเจ้าดวงก็ไม่ได้ไปหลอกหลอนใครเพียงแต่ว่ามันต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าหาคนช่วยเหลือจริงๆไม่ได้ท่านจะช่วยเองโอกาสก็ยังไม่มีเพราะว่าในดวงเนี่ยยังไม่ได้แสดงตนให้ปรากฏเฉพาะท่านท่านก็เลยสั่งหน่าว่าอย่าล้อเล่นกับเรื่องผีนะผีมันจะผสมเอา ต่อมาวันหนึ่งค่ะท่านจะเดินทางไปก่อสร้างที่เขาวงพระจันทร์ท่านก็เลยไปพร้อมกันกับพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระสำคัญทั้งหมดเลยเหลือแต่พระลูกวัดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็จะขนองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาตอนกลางคืนเนี่ยทำเป็นเล่นผีหลอกกันบางคราวนะก็เอาผ้าคลุมส่งเสียงเป็นผีหลอกหลอนกันบ้างบางทีก็เขียนหน้ากา ก, ากค่ะทาเป็นผีแล้วก็ชูขึ้นตามหน้าต่างบ้าง ทำกันอยู่อย่างนี้หลายวันพระที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อนที่เป็นพระอีกองคหนึ่งอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็เตือนพระเหล่านี้ที่เล่นพิเรนแบบนี้แต่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาก็เลยบอกเขาบอกว่าเรื่องนี้หลวงพ่อปานเตือนไว้แล้วนะบอกว่าอย่าทำถ้าขืนทำดีไม่ดีเจ้าดวงมันจะมาผสมเอาด้วย แต่ก็ไม่มีใครเชื่อค่ะก็เล่นกันแบบสนุกสนานกันไปเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็เลยปล่อยเข้าไปทีนี้พระที่เคยเตือนแล้วก็เพื่อนพระที่เคยเตือนพระอื่นๆเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่ให้เล่นเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าตามสบายจนเวลาล่วงเลยไปกี่วันก็ไม่ปรากฏนะคะว่ามีผีเจ้าดวงมาอารวาสเมื่อพระหลอกกันเล่นหลายวันเข้าผีเจ้าดวงค่ะมันก็มาผสม อันดับแรกเลยพระบอกว่ากลางคืนนะนั่งฉันน้ำร้อนกันอยู่ในกุฏิเจ้าดวงก็โผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างบ้างส่งเสียงเรียดทางด้านประตูบ้างมาขอน้ำร้อนกินขอน้ำตาลกินวันแรกๆพระก็ยังคิดว่าเอ้ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าซึ่งต่อมาก็นั่งประชุมรวมกันถามว่าเมื่อคืนเนี่ยใครไปหลอกไปล้อเล่นใครไปยืนหน้าต่างหรือเปล่าหรือว่าทาภาพผีโผล่มาทางหน้าต่างบ้างพระทุกองค์ก็สายหัวบอกว่าไม่มีใครทา แต่ว่าพระด้วยกันก็ยังสงสัยนะะว่าเอ๊ะบางทีพระด้วยกันจะปกปิดกันเองหรือเปล่าทีนี้ค่ะมาคืนหนึง่งปรากฏว่าพระมานั่งรวมกันทั้งหมดผีเจ้าดวงค่ะโผล่หน้ามาทางหน้าต่างพระที่รวมตัวกันเนี่ยคราวนี้ก็รู้ตัวนะะว่าการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นของไม่ดีและเริ่มกลัวกันขึ้นมาบ้างก็เลยนอนรวมกันอยู่ที่กุฏิเดียวกันนี่แหละ จนพอตอนกลางคืนถัดมาไม่มีพระไปสวดมนต์เย็นตามปกติต่างมารวมกันอยู่ที่กุฏิเดียวเจ้าดวงก็มาเคาะประตูเรียกเคาะหนักเข้าหนักเข้านะคะพระก็ไม่ออกไปซึ่งพอดีนะคะพระที่จดบันทึกเรื่องนี้กับเพื่อนนี่ออกมาจากป่าช้าก็เห็นว่าเอ๊ะวันนี้วันพระทำไมเงียบสงั ด, ดีจังก็เลยตามหาพระนะคะในกุฏิต่างๆก็ไม่พบจนสุดท้ายค่ะ ไปเจอในกุฏิหลังสุดท้ายปรากฏว่าพระมานอนรวมกันอยู่ที่นั่นก็เลยถามว่าเอา้าทําไมถึงมานอนรวมกันอยู่ที่นี่ล่ะไม่กระจายกันอยู่ประเดี๋ยวใครก็มาลักของสง์ไปหมดหลวงพ่อปานก็ยิ่งไม่อยู่ด้วยพระทั้งหมดก็เลยบอกว่าอุยจะไปแยกกันอยู่ได้ยังไงเจ้าดวงมันอารวาสพระที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้ที่บันทึกไว้ก็บอกว่า ก็ผมบอกพวกท่านแล้วหลวงพ่อปานท่านสั่งแล้วแต่ว่าพวกท่านนี่ก็ยังขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชามันก็เป็นแบบนี้แหละโบราณท่านบอกไว้บอกว่าถ้าเดินตามผู้ใหญ่มามันไม่กัดพวกท่านเนี่ยพยายามหลีกจากทางผู้ใหญ่เรื่องเจ้าดวงเนี่ยหลวงพ่อปานท่านเตือนแล้วว่าท่านยังไม่มีโอกาสจะช่วยมันท่านก็ยังฝืนทําในขณะที่กําลังคุยกันอยู่นั้นค่ะผีในดวงแสดงเดชมาเคาะประตูโครมครามแล้วก็พูดว่า ผมดวงมาแล้วครับใครอยากจะรู้จักก็เชิญพระที่เขียนบันทึกเรื่องนี้ก็เลยบอกนะคะบอกว่ารู้สึกมีอาการชินกับผีอยู่สักหน่อยนึงเพราะเชื่ออยู่ว่าผีมีจริงโดนผีหลอกซะจนชินค่ะทั้งสามองค์ก็พรวดพลาดออกไปเห็นเจ้าดวงมันวิ่งหนีนะก็เลยวิ่งกวดเจ้าดวงตามไปมันก็วิ่งไปทางป่าช้าก็วิ่งตามกันไปรวมทั้งพระหลายองค์ก็มีกาลังใจวิ่งตามกันไปด้วยพอไปถึงโรงศพ ที่เขาเก็บศพมันไว้มันก็วิ่งเข้าไปในโรงศพพอดีก็เลยยืนล้อมกันแล้วก็บอกว่าด้วงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ามาอารวาสอีกนะถ้าต้องการอะไรเนี่ยก็บอกชั้นหรือว่าพวกชั้นฉั้นจะให้เธอการที่เธอทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยศพที่นอนอยู่ในโรงนั้นมันก็เงียบค่ะไม่มีเสียงพูดก็เลยสั่งพระบอกว่านิมนต์กลับไปสวดมนต์ตามปกติเถอะ แล้วก็เวลากลางคืนยามว่างควรจะภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆซะบ้างก็ดีพวกท่านเนี่ยไม่เอาฐานเลยบวชเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้มันก็ลงนรกกันหมดหน้าที่ของพระเนี่ยก็คือจะต้องศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ว่าพวกท่านทำตนเป็นคารวะผีสางนางไม้ก็จะดูถูกดูหมิ่นกันเอาแบบนี้ก็แย่สิ บรรดาพระลูกวัดต่างๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็ได้แต่เดินกลับกุฏิก็เลยบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกองค์นอนประจํากุฏิของท่านไม่ต้องกลัวผมรับรองว่าเจ้าดวงมันจะไม่มาอาลวาสท่านอีกถ้ามันมามันจะแสดงอะไรมันก็ต้องแสดงกับผมสมองค์จนพอตอนเช้าก็ถามพระต่างๆนะบอกว่านอนหลับไหมทุกองค์ก็ตอบบอกว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าวาดเจ้าดวงนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าดวงมันก็เงียบนะ แต่ว่าต่อมาอีกประมาณเดือนเศษค่ะหลวงพ่อปานก็กลับมาวัดก็ได้รายงานให้ท่านทราบท่านก็บอกว่านางตะเคียนไปบอกบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยไม่เชื่อฟังท่านแกก็เลยปล่อยให้เจ้าดวงเนี่ยมาปราบซะหน่อยเมื่อคนพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องปล่อยให้ผีมาสอนซะบ้างละ่ะวันนั้นตอนใกล้ค่าค่ะหลวงพ่อปานท่านเดินไปที่กุฏิเพื่อที่จะไปจําวัดตามปกติจนกระทั่งเวลาสองทุ่มนะคะท่านถึงจะกลับ พระที่เป็นผู้บันทึกเรื่องนี้เนี่ยก็ไปรับท่านที่กุดังก็คือช่วยถือการน้าถือหมอนถือเสือของท่านเอามาเก็บที่กุฏิของท่านเพราะว่าท่านจะกลับมาจำวัดที่กุฏิพอไปถึงท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าข้าเก็บเจ้าดวงแล้วเวลาที่ข้าเดินมาเจ้าดวงมันโผล่ขึ้นมาข้างทางหัวมันใหญ่โตมากๆเลยพร้อมกันนั้นผีเจ้าดวงเนี่ยมันก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนข้าก็เลยบอกว่าข้าจะไปนอน แล้วมันก็หายไปพอข้าเข้าไปนอนในกุดังมันก็โผล่หน้านอกประตูทำหัวใหญ่มากและต่อจากนั้นก็ทำตัวเท่าคนธรรมดาแล้วก็นั่งลงกราบท่านพร้อมกับบอกท่านว่าผมลำบากมากต้องการให้ท่านสงเคราะห์สภเวสีต้องอุทิศส่วนกุศลเฉพาะบุคคล ข้าก็เลยบอกว่าในฐานะที่เจ้าดวงมันเป็นสัมภเวสีเนี่ยช่วยง่ายข้าก็เลยอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับมันและมันก็กราบสามหนพอครั้งที่สา ม, มันลุกขึ้นปรากฏว่าร่างของมันสวยมากแล้วมันก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันมีความสุขแล้วมันจะไม่มารบกวนใครพร้อมกันนั้นหลวงพ่อปานก็เลยถามผีเจ้าดวงเนี่ยบอกว่าเอา้าแล้วที่ผ่านมาเองไปรบกวนเขาทําไมเจ้าดวงก็เลยตอบไปบอกว่าความจริงเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกการที่จะไปหาใครหรือว่าทำให้ใครเห็นแล้วก็บอกชื่อว่าเจ้าดวงประกาศให้ฟังทุกใารก็เพื่อให้เขาทำบุญอุทิศกุศลให้แต่ว่าหลายคนที่เขาทำบุญอุทิศกุศลให้เขาก็ยังบอกว่ายังกินจีบ้างอิมาน้บ้างก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเพิ่งจะได้รับจากหลวงพ่อปานก็วันนี้นี่เองครับ เพราะว่าเวลาหลวงพ่อปานท่านอุทิศส่วนกุศลให้สัมภเวสีก็ดีหรือผีที่มาขอส่วนบุญก็ดีท่านสอนว่าอย่าไปภาวนาภาษาบาลีให้ว่าภาษาไทยชัดๆและอุทิศส่วนกุศลเฉพาะบุคคลที่พึงให้เท้าหวานศาสตร์ไปคนที่มีกรรมหนักนิดนึงก็ไม่มีโอกาสได้รับหากให้เฉพาะเจาะจงเขาก็จะมีโอกาสได้รับและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าดวงที่อัตมาได้พบเจอมา นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้จากพระลูกวัดของวัดบางนมโคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเรื่องของผีในดวงสัมภเวสีที่วัดบางนมโคค่ะเรื่องสุดท้ายประจําวันนี้นะคะขออนุญาตนําเรื่องเปรดท้ายรถค่ะจากรายการเดอะช็อคนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ8ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมกับเพื่อนราราวๆ20บกว่าคนนัดกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีพวกเราทุกคนตกลงกันว่าจะไปกันแบบ1คันสองคนแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อต้นเนี่ยคือเขามาทีหลังก็เลยต้องขี่รถไปคนเดียวโดยที่ไม่มีใครซ้อนท้ายไปด้วยนะคะหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วทุกคนก็เริ่มออกเดินทางกันก็ขี่กันไปเรื่อยๆแบบไม่รีบเดินทางไปถึงราชบุรีเวลาประมาณสักตีหนึ่งกว่า ก็คิดว่าไปในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะให้ครบนะควรจะไปให้ถึงตอนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยก็เลยชะลอรถจอดข้างทางแล้วก็บอกกับเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าเราน่าจะไปให้เร็วกว่านี้นะจะได้ทันพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะไปให้ไวกว่านี้หน่อยแต่จะขี่ตามกันเหมือนเดิม แต่พอเลยเขตราชบุรีมาพักหนึ่งค่ะก็เจอปั๊มก็เลยให้ทุกคนเนี่ยแวะปั๊มเติมน้ํามันกันก่อนกะว่าจะได้วิ่งกันยาวๆไม่ต้องพรวงว่าน้ํามันรถจะหมดหรือว่าข้างหน้าจะมีปั๊มอีกไหมแต่ว่าคุณต้นเนี่ยค่ะเป็นคนที่มาช้าสุดและไม่มีคนซ้อนขี่รถเข้ามาเติมคันสุดท้ายพอดีเลยเจ้าของเรื่องก็เลยหันไปบอกต้นบอกว่าให้ตามมาไว้ๆหน่อยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ต้นขี่รถมาเองนะคะทีนี้พอเติมน้ํามันเสร็จทุกคนก็ขี่กันออกจากปัม๊ม ขี่มาได้พักหนึ่งก็เจอโค้งอยู่โค้งหนึ่งชื่อโค้งอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่มันเป็นโค้งก่อนถึงขาทางเข้าชะอำก็เลยหันไปมองหาต้นก็เห็นว่าขี่รถตามมาแต่ว่าอยู่ไกลมากเพราะว่าเห็นไฟอยู่รี บ, รบก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเพื่อนคงตามมาทันพอทุกคนมาถึงหาดกันหมดแล้วก็เริ่มเช็คคนค่ะปรากฏว่าขาดแค่ต้นคนเดียวที่ยังมาไม่ถึง เจ้าของเรื่องเห็นว่าให้มันนานผิดสังเกตแล้วนะก็เลยขี่รถย้อนกลับไปดูพอขี่รถย้อนมาไกลพอสมควรค่ะก็ยังไม่เจอต้นก็คิดว่าเออถ้ากลับไปถึงหาดแล้วยังไม่เจอจะให้ทุกคน้ขี่ย้อนกลับมาช่วยกันหาดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนที่กําลังจะหันหัวรถกลับค่ะก็เห็นรอยขูดข้างทางเนี่ยอยู่รอยนึงซึ่งมันเป็นรอยคล้ายกันกับรถมอเตอร์ไซค์ถลายลงไปเพราะว่าหญ้าข้างทางเนี่ยมันมันเป็นรอยถลาลแล้วก็ยุบลงไปด้วย เจ้าของเรื่องก็เลยขี่รถเข้าไปจอดใกล้ๆแล้วก็ส่องไฟหน้ารถลงไปข้างทางภาพที่เห็นค่ะทําให้เจ้าของเรื่องตกใจแทบช็อกเพราะว่ารถของต้นนอนอยู่ตรงนั้นชนิดที่พังยับเลยพอเห็นรถและคิดว่าเอยคนขี่คงไม่น่ารอดก็เลยรีบวิ่งลงไปดูด้วยความหวังนะฮะว่าเพื่อนยังมีลมหายใจอยู่ก็ตะโกนเรียกชื่อต้นต้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแหววมาบอกกลัวแล้วกลัวแล้วก็เลยหันไปตามเสียงนั้น ก็เจอคนที่นอนอยู่พุ่มไม้ห่างจากซากรถไม่มากนะักอนะนคะก็เลยรีบเดินเข้าไปดูก็เห็นต้นจริงๆค่ะแต่ว่าอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บและก็มีอาการเพ้อก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนแล้วก็โทรหารถฉุกเฉินให้มารับต้นเนี่ยส่งโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นต้นจะไม่พูดกับใครเลยพอเจออะไรเสียงดังก็จะร้องบอกกลัวแล้วอยู่ตลอดเวลาจนต้องเข้ารับการบาบัดทางจิตเป็นเวลา น, านานถึง2ปีเลยนะคะ หลังจากที่ต้นเข้าบำบัดจนหายดีแล้วนะคะวันนั้นก็นัดกันไปนั่งดื่มกาแฟาเหมือนเคยแต่ว่าอยู่ๆค่ะต้นก็พูดขึ้นมาบอกว่าจำเหตุการณ์ที่ไปชะอาได้ไหมเจ้าของเรื่องก็เลยบอกว่าเออจาได้ต้นบอกว่าที่รถล้มเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากถนนลื่นหรือว่าหลับในต้นก็เลยเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะต้นบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยขี่รถออกจากปั๊มเขาก็เร่งเครื่องตามเพื่อที่จะให้ทันเพื่อน แต่ทีนี้พอมาถึงตรงโค้งต้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางก็เลยชะลอรถแล้วก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าจะไปไหนดึกมากแล้วไม่กลัวหรอมาเดินคนเดียวเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบว่ากําลังจะกลับบ้านบ้านของเธอเนี่ยไปทางชะอํานี่แหละต้นก็เลยบอกว่าอ่ะผมกําลังไปทางนั้นพอดีต้นก็เลยชวนผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถไปด้วยกันค่ะหลังจากที่รับผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาต้นก็ขี่รถไปเรื่อยๆแต่สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมรถมันเริ่มหนักขึ้น แล้วมันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเท้าลากกับพื้นเสียงดังครืดครืดไปตามถนนต้นก็คิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นนี่เอาเท้าลงจากที่พักหรือเปล่าก็เลยบอกน้องให้เอาขาขึ้นเพราะว่ารถเนี่ยมันจะล้มแต่เหมือนผู้หญิงคนนั้นจะเอาขาขึ้นตามที่ต้นบอกนะเพราะว่าเสียงครืดครืดนั้นมันหายไปแต่ว่าพอขี่ไปได้สักพักนึง่งฮะเสียงมันกลับมาดังอีกแล้วต้นก็เลยบอกแบบเดิมบอกเอาขาขึ้นเดี๋ยวรถมันล้มน้องเขาก็ทําซ้ําแบบนี้เอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลง จนต้นเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะหันไปกะจะต่อว่าน้องเขาสักหน่อยว่าเอาขามาลากพื้นทําไมนักหนานเนี่ยแต่พอหันหลังไปเท่านั้นล่ะค่ะภาพที่เห็นคือต้นถึงกับช็อกสติหลุดเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้นรับขึ้นมาแต่มันเป็นเ ป, นปรตค่ะคุณผู้ฟังตัวเนี่ยสูงยังกระเสาไฟฟ้าเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้นั่งอยู่อย่างเดียวไม่ได้ตัวสูงอยูเ่เรีวทั้งร้องกรีดกรีดไปด้วยนั่งซ้อนท้ายของรถต้นอยู่ก็ร้องไปด้วย แล้วเสียงที่มันดังครืดคืดเนี่ยมันเป็นเสียงแขนกับขาที่ถูกลากไปกับพื้นถนนต้นบอกว่าแค่นั้นแหละเขาสติแตกทันทีหักรถลงท้างทางแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งนะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยตามมาเจอแล้วก็เอาต้นไปส่งโรงพยาบาลนี่แหละนะคะ ขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะคะที่เล่าในรายการเดอะช็อคนะคะก็ขออนุญาตถอดใจความตรงนี้เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าหาฟังย้อนหลังไม่เจอนะคะกราบขอบพระคุณเจ้าของเรื่องและก็รายการเดอะช็อคด้วยนะคะเอาละค่ะเวลาของบีวันนี้หมดลงแล้วเรียบร้อยนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราแล้วก็กดติดตามเพื่อให้กำลังใจช่องพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ